ทุกสิ่งทุกอยาก่างในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าผานละหน้าที่การงานอะไรคือรูปธรรมอะไรขึ้นามธรรมลักษณะของจิตจิตที่สงบเป็นอย่างไรจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นอย่างไรอารมณ์หรือว่าความคิดเขาปลดขึ้นมาปรุงแต่งจิตจิตเลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดได้อย่างไรพวกเราต้องหัดทางจิตหัดวิเคราะห์ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาอย่างในน้อย ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรารู้จักควบคุมจิตของเราแล้ว้วยอยังจิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่าอากุศลหรือว่าเป็นกลางกลางจิตปกติจิตไม่เกิดเป็นอย่างไรเราเอาสติปัญญาไปเกิดแทนได้หรือไม่เราต้องหมั่นวิเคราะห์ตัวเราซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแต่ เจริญสติเข้าไปแก้ไขตัวเราเสียไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่รู้ทรรมไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นเสียเปรียบกิเลสคนนี้เรามาดับกิเลสของเราเรามาละกิเลสของเรากิเลสอยู่ภายในกายภายในใจของเราเราก็ทำความเข้าใจกับเขาเราก้กรู้จักละรู้จักดับไม่ให้จิตของเราเข้าไปยึดยึดมั่นถือมั่น รู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบเสียชีวิตก็จะมีความสุขความสงบอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขการชำาาาระสร้างกิเลสเราจะไปชำระสรสางให้กันไม่ได้การทําบุญเราทําร่วมกันได้แต่การทํากิจให้สะอาดให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นของแต่ละบุคคลการสร้างอานิสงส์สร้างบารมีแต่ละวันแต่ละวันเราสํารวจตรวจตาดู รู้กาย้องเราเป็นอย่างไรจิตของเราเป็นอย่างไ ร, ง เ, ร, เ, งไรเรามีความกังวลเรามีความพุ่งสร้างเรามีความลังเลสงสัยอร่อยหรือไม่เราพยายามรีบดับดิบแก้ไขภาล้านาทีการงานที่เราก็ไปยุ่งเกี่ยวเราก็ทําให้รับดืนเสียทําให้เรียบร้อยเสียถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขตัวเราแ ล, แล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้นะเราต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากๆแก้ไขตัวเราเองให้มากๆใช้ตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็ดในใจให้ตั้งแต่กิเลสมาใช้ให้ตั้งแต่ความทะเยอทะยานอยากความโลภความโกรธความหลงมาใช้จิตใช้กายหงหลอกเราต้องเจริญสติเข้าไปบริหารกายบริหารจิตต่อไปข้างหน้าสติก็ทําหน้าที่แทนจิตให้จิตรับรู้ไม่ให้จิตเป็นถาตดของอารมณ์เรารู้อยู่ว่าตั้งแต่ชื่อว่าจิตเป็นความคิดอารมณ์ต่างๆเราก็รู้ตั้งแต่ชื่อของเขา เราไม่เคยเห็นลักษณะาอาการเวลาเขาเกิดเขาก่อตัวเป็นอย่างไรเขาเริ่มเกิดเป็นอย่างไรเราไม่เห็นลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อนึ่สติปัญญาทางโลกนั้นทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่สติปัญญาในทางธรรมแล้วเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็น้อมเข้าไปดูรู้ฐานการเกิดการดับของจิตของความคิดเรารู้ไม่ทันเราก็รู้จะควบคุมจิตของเราเอาไว้ แล้วก็ทําความเข้าใจกับความหมายด้วยความหมายของการเจริญสติเพื่ออะไรเราจะสร้างสติไว้ที่ตรงไหนเราจเจริญสติรูว้ว่าสร้างสติไว้ที่การหายใจเข้าออกของเราอันนี้ก็เป็นการรู้กายสร้างสติแล้วลึกรู้อยู่กับสัมผัสของการเดินอันนี้ก็เป็นการรู้กายต่อไปหน้าก็รู้จิตเวลาจิตมันจะเกิดอาการของความคิดมันเริ่มคิดก่อตัวขึ้นมาคิดถึงคนโน้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้าง คิดถึงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างนี่แหละตัวจิตเราก็รู้จักดับรู้จักควบคมุมสติปัญญาของเราก็ไปคิดแอไปพิจารณาแทนอย่างเวลาถ้าเราสังเกตอยากจะเห็นสองส่วนนี้ชัดเจนเวลาจิตของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามควบคุมความโกรธไม่ให้จิตของเราเกิดความโกรธถึงเราควบคุมไม่ได้เด็ดขาดจิตของเราเกิดความโกรธก็โกรธอยู่ในกายของเรา ไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ให้ไปว่าถ้าโกนว่าคนโน้นคนนี้ด้วยอารมณ์ถ้าไปว่าคนโน้นคนนี้ น, นั้นแสดงออกทางวาจาเราก็พยายามควบคุมงแต่เขาเริ่มก่อตัวถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็พยายามไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาอันนี้เป็นชั้นที่สองชั้นที่สามถ้าควบคุมกายวาจาไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาหลบปิดเสีก่อนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น เวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วมันพุ่งพรวดพรวดพุ่งออกไปมันทําลายเราทําลายคนอื่นให้จนย่อยยับเถึงแล้วมันถึงค่อยเอาลงค่อยสํานึกได้เราต้องพยายามเจริญสติไปปล่อยไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวความทะเยอทยานอยากอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไปไม่อยากมาสารพัดนั่นแหละกิเลสจับยับทั้งยากทั้งละเอียดต่างๆ เราต้องเป็นคนหัดวิเคราะห์ตัวเรารูปฐานของกิ่นรูปฐานของความสะอา ด, ควา ม, มอดความบริสุทธิ์ความว่างความสงบหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟังเล่าของเก่าอยู่ทั้งปีเล่าตั้งแต่เรื่องเก่าแม้แต่ ก, การหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังทำกันไม่ค่อยจะชำนาญกันพยายามทำให้ชำนาญหายใจให้เป็นเราประทานอาหารให้เป็นเพียงแค่เรื่องของการกินอย่างเดียวพวกเรายังไม่เข้าใจการกิน เดี่องการรับประทานอาหารกินอย่างไรเขาถึ ง, งว่ากินเป็นนักษณะเวลาเรากินอย่างเช่นเราก็ดูรู้ว่ากายของเราหิวไหมจิตของเราเกิดความอยากหรือไม่ถ้าจิตเกิดความอยากเราก็รู้จักควบคุมเสียเราไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากเรารับประทานอาหารด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อที่ยังอัตภาพของเราให้อยู่ดีมีความสุขไม่ให้เกิดทุกขเวทนา คนทั่วไปนั้นทั้งอยากด้วยทั้งหิวด้วยทั้งอยากด้วยมันก็เลยมีตั้งแต่ความเัวเยาทะยานอยากพุ่งออกไปถ้าเราละความอยากแล้วเราก็รับประทานอาหารได้เหมือนเดิมนั่นแหละอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยลิ้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาจิตก็มีหน้าที่รับรู้แต่คนทั่วไปจิตต้องการวกร่อนจิตเกิดความอยากอยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะกินขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาซึ่งเรียกว่าขาดปฏิสังขายโยก เราต้องปฏิสังขายโยทําความเข้าใจทุกเรื่องตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบร่กายสัมผัสภาษาธรรมะที่ท่านเรียกว่าสัคตะว่าดูสัคตะว่ารู้สัคตะว่ะปังนี่แหละถ้าคนเราไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจถ้าคนเรารู้แล้วเห็นแล้วจะเข้าใจอยู่คนเดียวก็สนุกทําไมถึงว่าสนุกสนุกเห็นจิเลตตัวไหนมันจะมาหลอกกิดเราความคิดตัวไหนมันจะผุดขึ้นมาหลอกกิดหลอกกิดของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมไหม เราตามทำความเข้าใจได้หรือไม่มันเข้ามาในลักษณะอย่างไรเหตุจากภายนอกมาทำให้จิตเกิดหรือ ว, ว่าเกิดขึ้นจากภายในโดยตรงหรือ ว, ว่าเกิดขึ้นจากอาการอกคันท่าสนุกสนุกในการดูสนุกในการรู้สนุกในการทำความเข้าใจกาใหม่ๆกำรสติของเราอาจจะช้าถึงจะช้าก็ต้องพยายามขยันมันเพียรอยู่คนเดียวเราก็วิเคราะห์เราอยู่หลายคนเราก็วิเคราะห์เรา การได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปรียมทุกคนศึกษากันมาดีแต่การลงมือการสังเกตการดับการสังเกตการวิเคราะห์การแยกถ้าเราสังเกตทันเขาจะแยกออกจากกันเองเราไม่จําเป็นต้องแยกกิจออกจากความคิดโลกถ้าเราสังเกตทันนั้นเขาจะแยกออกของเขาเองเหมือนกับเราจับขโมยได้นั่นแเลยถ้าขโมยจะเข้าบ้านถ้าเราเห็นว่าขโมยเข้าบ้านขโมยเขารู้ตัวเขาจะรีบหนีทันที ถ้าเราสังเกต ด, ดูอาการน้องขันท่าที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตหรือความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเราสังเกตเห็นช่วงนั้นจิตของเราจะดีดตัวออกจากความคิดเหมือนกับเรียกว่ารีบดีดตัวออกเรียกว่าแยกรูปแยกหนามนั่นแหะสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้วิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทาง กำลังสติก็จะตามดูรู้เห็นการเกิดการดับของความคิดจิตก็จะวางโล่งโปงรับรู้ถ้าจิตจะเคลื่อนเข้าไปรวมเราก็รู้จักดับเราก็จะรู้จิตชัดเจนรู้ความคิดชัดเจนที่เข้ามาปรุงแต่งจิตกลางค่ํำกลางคืนเราก็พยายามดูว่าจิตของเราเกิดความกลัวไหมถ้าจิตของเรายังมีความกลัวอยู่นี้จิตของเราก็ไม่มีกํำลังเราต้องพยายามละความกลัวละความกลัวดับการเกิดของจิต จิตเกิดรงออกไปภายนอกแล้วก็น้อมเข้อสหลักอริยสัจคือสมุทยัยจิตส่งออกไปข้างนอกนิโรธการดับเราจะดับยังไงด้วยการควบคุมเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าสมถภ า, ภาวนาถ้าเราแยกแยะตามทำความเข้าใจให้จิตยอมรับความเป็นจริงจนจิตปล่อยจนจิตวางได้นั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาเราก็พยายามละกิเลสอย่าไปปิดขั้นตัวเราเองเราต้องพยายามขยันมันเพียรอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่ทําแล้วไม่มีใครเขาจะทำให้เราได้อีกสักหน่อยสักพักสะระยะหนึ่งไม่นานโลกทุกคนก็ต้องได้พัดผักจากกัรไม่ได้พัดภักจากการตอนเป็นก็ต้องได้พัดภักจากการตอนตายอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติอยู่แล้วขณะที่ยังไม่ถึงวาระถึงเวลาเราก็พยายามมันสร้างกบศนมันสร้างุงามความดีเอาไว้ด้วยการทําบุญด้วยการให้ทานด้วยการเจริญภาวนาการศึกษาการทําความเข้าใจ อย่าไปคิดว่าไม่มีเวลามีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเขาออกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆแม้แต่แต่คนมาด่ามาว่าเราก็ได้ฟังธรรมะถ้าจิตของเราเป็นทับเขามาด่าว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้จิตของเราโกรธไหมจิตของเราเกิดความทุกข์ไหมเกิดความเศร้าหมองไหมเราก็จะได้สํารวจตรวจสอ ด, ดูไม่ใช่ว่าเขามาด่าเขามาว่าคํานึ่งจะตอบเข้าไปทันเป็นร้อยเป็นพันคํา อันนั้นแหละเสียเปียบเยอะแยะแต่ละ ว, วันแต่ละ ว, วันเราต้องหมั่นดูเรื่องของเราแก้ไขของเราไม่ใช่ว่าไปตื่นขึ้นมาแล้วก็มีั้งแต่เรื่องของคนอื่นเขาอันนั้นไม่ใช่ถ้าไม่ได้พูดเรื่องของคนอื่นเขาแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดถ้าพูดเรื่องของคนโน้นคนนี้รู้สึกว่ามันโลง่งมันปลงมันกับไปทันยาละปายอันนี้คงไม่ใช่กันนะพยายามละพยายามขัดเขลาตัวเองเอา